ช่วยเวลาที่เหลืออยู่นิดหนึ่งนี้จะขอโอกาสให้อดทนฟังถึงเรื่องอุปสรรคที่ทำให้เราทำไม่ได้เพื่อช่วยความเข้าใจพึงศึกษานิทานและชาดกต้องขอกล่าวอย่างสมมุติตามเคยว่าทำไมเมื่อเรารู้อยู่อย่างนี้แล้วแล้วเราก็ตั้งใจจะทำให้ดีอย่างยิ่งจะเรียนให้ดีจะสอบไล่ให้ดี จะเป็นมนุษย์ให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดให้ได้และอย่างนี้มันก็ยังไม่ได้ตามที่ต้องการเพราะทาช้าไปบ้างทั้งนี้ก็เพราะว่ามันมีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งจะเขาเรียกเพื่อจำง่ายๆว่าน้ำมันผีพูดอย่างนี้เพราะว่าเราจะต้องฝากไว้ในรูปอุปมาอย่างนี้เสมอไปโดยเล่าเป็นนิทานที่พูดถึงนิทานนี้ ก็เพื่อจะรื้อฟื้นความรู้สึกทั่วไปสักอย่างหนึ่งว่านักศึกษาสมัยใหม่นี้เข่ามากถึงกับเห็นว่าเรื่องชาดกเรื่องนิทานนี้เป็นเรื่องที่ไร้าสาระเอาไปเผาเสียให้หมดจะดีกว่าไราเอ่ยถึงชาดกแล้วเขาไม่เชื่อจึงขอเตือนท่านนิสิตที่เป็นนักศึกษาทั้งหลายว่าอย่าได้เข้าใจอย่างนั้นมันเป็นความฉลาดอย่างยิ่งที่ครูบาอาจารย์แต่การก่อน ท่านมีเรื่องชาดกขึ้นมาท่านมีชาดกขึ้นมาทำไมท่านมีขึ้นมาในฐานะที่เป็นเหมือนภาชนะอย่างว่าแก้วใบนี้เป็นภาชนะถ้าไม่มีแก้วใบนี้ทำไมจะเห็นน้ำในนี้ได้จะเห็นได้อย่างไรขอให้ลองคิดดูถ้าที่บ้านไม่มีหม้อข้าวหม้อแกงจะกินอาหารได้อย่างไรแล้วเราจะเก็บมันไว้ได้อย่างไรถ้าเราไม่มีภาชนะ หรือสมมุติว่าผลไม้ที่ดีที่สุดนั้นถ้ามันไม่มีเปลือกเราจะเก็บมันไว้ได้อย่างไรเราจะเอามันมาใส่มือไว้ได้อย่างไรถ้าปล่อยมันก็ตกดินการที่มันมีเปลือกหุ้มห่ออยู่นั้นมันช่วยให้เนื้อในสำเร็จประโยชน์แก่เราเรื่องชาดกก็เป็นอย่างนี้มันเป็นเหมือนเปลือกที่ใส่ธรรมะไว้อย่างจำเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเรามีภาชนะดีเก็บได้ทนถ้าภาชนะไม่ดีหรือเปลือกไม่ดีก็เก็บไม่ได้ทนเพราะฉะนั้นต้องมีเปลือกที่เหมาะแล้วต้องมีชาดกที่เหมาะที่จะใส่ตัวธรรมะไว้ถ้าจะเข้าใจให้ทั่วถึงในเรื่องนี้ขอให้ไปอ่านบทพระราชนิพนธ์ที่เรียกว่าพระราชวิจารณ์เรื่องชาดกจะอยู่ที่หน้าตน้นตอนคํานําของหนังสือเล่มหนึ่ง ของชุดชาดกโดยเฉพาะที่พิมพ์ในราชการที่ห้าขออย่าเด้เกลียดเรื่องชาดกขยันอ่านกันเถอะแต่ว่าต้องอ่านเอาข้างในอย่าไปกินเปลือกเข้าเหมือนอย่างทุเรียนเนี่ยจะไปกินเปลือกทุเรียนกันได้อย่างไรมันก็ต้องกินเนื้อทุเรียนเพราะฉะนั้นอย่าได้ไปสนใจที่เขาพูดว่าต้นไม้พูดได้สัตว์พูดได้หรืออะไรพูดได้ตามเรื่องชาดกนั้น มันไม่ใช่สิ่งสำคัญนั้นมันเปลือกเราต้องรู้ว่าพูดอย่างไรเราถือเอาข้อความในคำพูดนั้นมาอีกทีแล้วนี้ก็ยังไม่ใช่เนื้อในแท้ยังเป็นเนื้อในชั้นนอกต่อเมื่อเราได้ความว่าอย่างไรจากข้อความที่เขาพูดนั้นๆแล้วคัดออกมาต้องเอามาคิดมาตรองมาปฏิบัติให้เห็นจริงตามนั้นอีกทีหนึ่ง ถึงจะถึงเนื้อชั้นในที่กินได้มันอย่างต้นไม้บางชนิดเปลือกสองสาชั้นเมื่อปอกเปลือกชั้นนอกแล้วมันยังกินไม่ได้มันต้องเอาชั้นในคือผิวเยื่อบางๆออกอีกจึงจะได้กินเนื้อชั้นในอย่างนี้เป็นต้นนิ่ทานชาดกก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าไม่ใส่ไว้ในภาชนะนี้แล้วมันสูญหายเป็นนานแล้วไม่เหลืออยู่มาถึงพวกเรานี้ เพราะว่าสมัยก่อนเราต้องท่องกันมาด้วยปากแล้วท่องจำด้วยใจบอกกันด้วยปากไม่มีการพิมพ์ทีนี้มันอยู่ได้ทั้ง3า0พันปี4ปี่พันปีมาถึงพวกเราได้ก็เพราะใส่ภาชนะที่ดีไว้ในรูปของชาดกถ้าจะพิสูจน์ว่ามันจะใช้ได้ไม้มก็จะได้เล่าเรื่องน้ำมันผีซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งของการที่พวกเราโดยเฉพาะเยาวชนนี้ไม่ประสบความสาเร็จ ในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำนิทานที่ชอบเล่าเรื่องนี้อยากจะให้เล่าบ่อยๆนี้ก็คือนิทานเรื่องยายกับตาพอพูดอย่างนี้ก็จะนึกหัวเราะกันในใจแล้วว่านิทานเรื่องยายกับตาบ้าๆเนี่ยมันจะมาช่วยได้อย่างไร